ปันจะสติกะขันธกะ 1. สังคีตินิทานว่าด้วยมูลเหตุการทำสังายนาครั้งที่หนึ่ง ครั้งนั้นท่านพระมหากัะสปะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านทั้งหลายคราวหนึ่งผมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปเดินทางไกลาจากกรุงปาวาไปกรุงกุสินาราขณะที่ผมแวะลงข้างทางนั่งพักที่ณควงไม้แห่งหนึ่งสมัยนั้น อาชีวก ค, คนหนึ่งถือดอกมณฑารบจากกรุงกุสินาราเดินสวนทางจะไปกรุงปาวาท่านทั้งหลายผมได้เห็นอาชีวกนั้นเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วจึงถามอาชีวกนั้นดังนี้ว่าท่านทราบข่าวพระาศาสดาของเราบ้างไหมอาชีวกตอบว่าเราทราบ พระสมณะโคดมปรินิพานได้เจ็ดวันเข้าวันนี้เราถือดอกมณทารพบดอกนี้มาจากที่ปรินิพานนั้นท่านทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้ยังไม่ปราศจากราคะบางรูปประคองแขนคร่ำครวญล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่า พระผู้มีพระภาคปรินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนักดวงตาในโลกอันตรธานไปเสียแล้วส่วนภิกษุทั้งหลายที่ปราศจากราคะมีสติสัมปชัญญะก็อดกลั้นไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง จะหาความเที่ยงแท้ในสังขานี้แต่ที่ไหนเล่าท่านทั้งหลายครั้งนั้นแหลผมได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าพอเถิดพวกท่านอย่าโศกเศร้าอย่าคร่ำครวญไปเลยพระผู้มีพระภาคตรัสบอกไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆกัน ความพลัดพรากความผันแปรเป็นอื่นจากสิ่งที่รักใคร่ชอบใจทุกอย่างมีอยู่เสมอสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วถูกปรุงแต่งแล้วมีความแตกสลายเป็นธรรมดาอย่าได้เสื่อมสลายไปเลยนั้นจะหาได้แต่ที่ไหนในฐานะนี้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ท่านทั้งหลายครั้งนั้นแหละภิกษุผู้บวชตอนแก่ชื่อสุภัททะนั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าพอทีเถิดพวกท่านอย่าโศกเศร้าอย่าคร่ำครวญเลยพวกเรารอดพ้นดีแล้วจากพระมหาสมณะรูปนั้น ที่คอยจ้ำจี้จ้ำชัยพวกเราอยู่ว่าสิ่งนี้ควรแก่พวกเธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกเธอบัดนี้พวกเราปรารถนาสิ่งใดก็จะทําสิ่งนั้นไม่ปรารถนาสิ่งใดก็จะไม่ทําสิ่งนั้นท่านทั้งหลายเอาเถอะพวกเราจะสังขยาณาพระธรรมและวินัยกัน ก่อนที่อธรรมจะรุ่งเรืองธรรมจะถูกคัดค้านสิ่งมิใช่วินัยจะรุ่งเรืองวิไนจะถูกคัดค้านก่อนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกำลังพวกธรรมวาทีจะอ่อนกำลังพวกอวะวิณยวาทีจะมีกำลังพวกวิณยวาทีจะอ่อนกำลัง